แล้วอ ย, อย่าทิ้งร่างกายก็ยิ่งดูเห็นมันยิ่งมัละเอียดมากขึ้นเมันเพลอไปเรื่อยใช่แล้วบางทีผมคิดว่ามันไอ้ที่เราไปปรุงแต่งคิดว่ามันเป็นไอ้ธรรมวิจยะหรือหรือว่าเป็นเราไปปรุงแต่งเองครับ อ, อย่างที่ทำธรรมวิจยะเนี่ยนะก็คือการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจอยู่นี่ยเรียกว่าธรรมวิจยะคําว่าธรรมาก็คือรูปธรรมนามธรรมาก็คือกายกับใจ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 รู้สึกไปจนวันนึงหมดความตั้งใจมัส ก, การเจ้าค่ะสองอาทิตย์ที่แล้วโยมมาส่งกันบ้านค่ะแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าโมหาเยอะให้ไปกระดุกกระดิกแล้วก็เดินจงกร ม, มยมก็ฟุง้งซ่านเดินจงกรมแล้วก็โม่ๆดูไม่รู้เรื่องอจนไม่เอาแล้วอะ่ะเจ้าค่ะแบบไม่เอาแล้วเลิกแล้วอพอนาทีที่วินาทีที่เลิก อ, อ่ะเจ้าค่ะนั่นแหละเหมือนที่บอกตะกียะ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 หลวงพ่ออยากได้หลวงพ่อก็เอื้อมมือไปดึงใช่ไหมมือเราก็ต้องไปติดที่พัดนี่พัดมันอยู่ตัวนี้หลวงพ่อเกลียดมันหลวงพ่อผลักมันมือเราก็ไปติดที่พัดนี่จิตนี่เหมือนกันนะถ้ามันยินดียินร้ายในอารมณ์นะมันาะเข้าไปเกาะอารมณ์เกาะแล้วดึงมามั่งเกาะแล้วผลักไปบ้างก็ไปติดอยู่นั่นแล้วถ้าเราเป็นกลางไม่ยินดีร้ายมันก็ต่างคนต่างทํา ง, ทงานของมันไป <lleicht. S 2> อยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ที่นี่ก็รู้อยู่ที่นี่ก็รู้รใชเท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะเราเป็นกลาง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 พระอาจารย์ค่ะพอดีหนูก็เพิ่งครั้งแรกที่จะมาได้มาที่นี่นะคะทีนี้หนูอยากจะขอแนวทางการภาวนาบางทีเนี่ยหนูในชีวิตเนี่ยหนูมีเรื่องทุกข์มากจนบางทีสวดมนต์ก็ยังจะร้องไห้แล้วหนูก็อยากจะให้จิตใจหนูสงคืึงนี้ความทุกข์เนี่ยนะมันมีสองส่วนความทุกข์ของร่างกายนี่อันหนึ่งความทุกข์ของจิตใจนี่อันหนึ่ง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 กลัว<อ>หลวงพ่อไหมกลัวค่ะให้รู้ว่ากลัวค่ะไอ้กลัวสิไม่ทําอะไรใครหรอกก็ตอนนี้ใช้บริการพอ ง, งยุบอยู่อะคะ่ะแล้วก็มาเริ่มมาฟังซีดีของหลวงพ่อมาไม่กี่เดือนนะคะแต่ใ จ, ใจเริ่มคลายแล้วนะใช <c oughs> ่อยู่ไม่ได้ไปอยู่ที่ท้องแล้ว <c oughs> ดีอยู่ที่ท้องไม่ได้เรื่องหรอกไปเอาไว้งั้น <c oughs> เป็นสมถะหนูติดเพลงค่อนข้างเยอะอยู่ไหมคะไม่มากแล้วใจเริ่คลายออกแล้ว่ะ <C an> ดีแล้วนะ <c oughs> คอยรู้สึกไปเรื่อยเห็นร่างกายมันพอง <c oughs> เห็นร่างกายมันยุบใจเราเป็นคนดูไว้ <C han> เห็นจิตไ ป, <c oughs> ไปคิดเป็นึกไปปรุงไปแต่งใจเป็นคนดูไว้ฝึกอย่างนี้ <C han> นะ <C han> อัเบอร์สี่สหคนสุดท้ายแล้ว <c oughs> <c oughs> ที่เหลือดีใจได้จะได้กลับแล้วน้ำมัสา ก, การกับหลวงพ่อเมื่อเมื่อสามวันที่แล้วห้าวันที่แล้วหลวงพ่อว่าจิตโยมติดนิ่งหาเพิ่งส่งกันบ้านเมื่อห้าวันที่แล้ว